พุทโธสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสรนสนีสนทนาดิฉันสันสนีนาคพงดําเนินรายการที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว f อฟเอร้ 6, ในส่วนของวันพฤหั ส, สบดีกับวันศุกร์ของทุกสัปดาห์นะคะโดยมีพระมหาภัยบุญอภิปุณโณซึ่งท่านได้จัดรายการนี้คือได้พุทธะให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันตั้งแต่วันจันทร์เรื่อยมาแล้วเพียงแต่ว่า พอมาถึงพระหัสกับสุขนี่ก็จะเป็นลักษณะของการสนทนาโดยมีดิฉันเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะในวันที่ขณะนี้ที่จัดรายการกับท่านเนี่ยดิฉันเข้าใจว่ายังอยู่ในคอร์สหลีกเรนอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีที่ท่านพระมหาภัยบูรณ์เป็นผู้ที่ควบคุมกำกับดูแลหลักสูตรในการที่เข้าหลีกเรนกันอยู่นี้เองนะค ะ, ะก็เป็นการบันทึกเสียงล่วงหน้า Uh, วันที่เจ็ดค่ะประกาศให้ทราบในตอนหัวรายการกันก่อนสำหรับท่านที่ต้องการจะได้พบกับพระมหาภัยบูร์แบบได้เห็นหน้าค่าตาจริงๆได้ฟังธรรมสดๆจากท่านก็เตรียมตัวกันไว้ค่ะที่หอสมุดท่านเพื่อ ธ, ธาตุอินทปัญโยสวนจตุจักท่านจะไปที่นั่นตั้งแต่เวลาประมาณเจ็ดนาฬิกาแต่ว่าจะเริ่มแสดงธรรมประมาณเก้านาฬิกาวันที่เจ็ดมีนาคมนะคะ ใส่ในวันตารางของท่านทั้งหลายเอาไว้จะได้ไม่ลืมค่ะตอนนี้เราก็ไปกราบในมรสการท่านไพบูรณ์กันเลยนะคะมรสการกันทบบ่านคะเจมบอลค่ะท่านจะมาแสดงธรรมในเรื่อง7มีนาคมในเรื่องของแก้ว3มประการแก้ว3ประการเรื่องปรัชนาไตรันะค ะ, อะหอจดหมายเหตุท่านบุตรท่านนี่อยู่ใกล้ๆสวนเ จ, จ้จักในบริเวณที่อยู่นี้เรียกว่าส่วนรถไฟค่ะส่วนรถไฟก็อยู่แถวปตทแถวๆนั้นแหละ หาไม่<ร>ยากไม่ใช่เสียครับเพราะว่าสวนเจตุจักรนี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วแล้วถ้าไปแถวนั้นก็ลองสอบถามดูก็ได้ความจริงเขาก็มีป้ายค่อนข้างจะชัดเจนอยู่อนะคะใช่แล้วก็จะมีซีดีเสียงอ่านหนังสือพุทธพุทธปรอดจากพระโอษฐ์ะจะให้กับทุกท่านที่ไปร่วมมาฟังกิจกรรมนี้ด้วยค่ะจากพระโอษฐ์หมายความว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องราวชีวิตของพระพุทธองค์ด้วย ตัวของพระพุทโธเองใช่แล้วก็มีท่านพุทธทาสนั่นแหละรวบรวมเป็นหนังสือเอาไวา้ค่รรมาก็อา่านมีความทราบซึ้งก็บันทึกเสียงมาแล้วก็ทําเป็นซีดีแจกให้ที่ฉันเองเคยอ่านนะคะทั้งหมดเลยแล้วก็ต้องกลับเรียนท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าอที่เราเรียนเรียนมาบางอย่างก็ไม่เหมือนเลยนะคะ <laughs> <laughs> พอมาอ่านจากเล่มนี้น่าสนใจมากอืมเปวดค่ะท่านคะวันนี้ที่จะกลับเรียนถามท่านเนี่ย คงจะเป็นให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องว่าพระพุทธเจ้าตรัสในเรื่องแต่ละอย่างนี้ไว้อย่างไรแล้วก็เป็นสิ่งที่เรามีโอกาสพบเห็นในชีวิตของเราได้มีสามเรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกจะเป็นเรื่องปีชงเรื่องที่สองจะเป็นเรื่องความผิดของพระทีะ่มีพูดถึงกันมากๆหน่อยก็เป็นเรื่องของปาราชิกกับเรื่องที่สาม คือเรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างในครั้งพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรหรือทรงมีความเห็นอย่างไรที่บันทึกไว้เป็นหลักฐานหรือไม่มเราเริ่มต้นที่เรื่องปีชงก่อนดีไหมคะได้ได้เพราะว่าพอเข้าตรุษจีนปุ๊บส่วนใหญ่เรื่องชงเชิงเนี่ยเขาวาเป็นเรื่องคนจีนใช่ไหมคะ <laughs> <laughs> พอเริ่มตรุจจีนปุ๊บมีเพื่อนที่ฉับางคนโพสต์รูปขึ้น f เฟซบุ๊ก ใส่เสื้อผ้าสีแดงสดใสเลยแล้วนั่งบนรถเข็นก็บอกว่าต้อนรับวันแรกของปีเป็นปีชงของเขาขาหักถึงแม้จะเคยกลับไปถามท่านไปแล้วดิฉันก็ยังสงสัยว่าถ้าหากเป็นความเชื่อของคนจีนซึ่งจริงความจริงก็บอกว่าน่าจะเป็นความเชื่อใกล้ๆ ก, กับพุทธศาสนิกชนเหมือนกันเนี่ยเราจะมีวิธีอย่างไรคะเราจะต้องไปทาแบบที่ ท่านทั้งหลายทำหรือไม่คือไปทำพิธีกรรมต่างๆนาน า, นามีวิธีอื่นที่ไม่ต้องไปแล้วทำแบบพระพุทธเจ้าเนยไหมคะคือคือทำความเข้าใจกับกับคำนี้สักนิดหนึ่งอะน ะ, ค, ะคำว่าชงเนี่ยที่ที่เราเข้าใจกันก็คือหมายควว่ามันจะมีเหตุเพศภัยดวงไม่ดีอาจจะเจอทุกเวทนาอย่างนี้ใ น, นในปีนี้ด้วยการเดินทางของดาราศาสตร์หรือว่าอะไรต่างๆที่เขาดูกันมาตามปีนักษัตร นนตามปีนักษัตต์ทีนี้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ย <Okay. S 1> พระพุทธเจ้าก็พูดถึงศีลสมาธิปัญญาใช่ั้มก็มีศีลข้อหนึ่งของพระนั่นแหละที่ว่าไม่ไปเป็นหมอดูทำนายนักษัตต์นะนี่คือพระเนี่ยไม่ควรจะต้องไปดูหละว่าปีนี้มันปีชงหรือไม่ชงอย่างไรทีนี้ว่าแน่นอนละ่ะไอ้ข้อมูลตรงนี้ เดีก็คงไม่ใช่พระเป็นคนบอกมานี่เขาก็พูดกันมาในตำราอะไรต่างๆใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นหมอดูอ่าใช่ก็เขาก็ทําหน้าที่ของเขาก็ทําไปใช่ไหมคะทีนี้ว่าในในความที่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยในโลกนี้เนี่ยความสุขความทุกข์เนี่ยมันมีเป็นธรรมดาเดคนที่ต่อให้ปีนี้ดวงดีมากๆเนี่ยก็จะมีเวลาที่คุณมีความทุกข์บ้างก็ก็มีเดคนที่คิดว่าปีนี้เป็นปีชงฉันสวยสุดๆเลยเนี่ยเออเจอทุกขเวทนาก็มีมันก็จะต้องมีสุขเวทนาปนอยู่ด้วย อันนี้เป็นธรรมดาแต่เนพะราะฉะนั้นอตนาตมาอยากจะให้ดูว่าความสุขความทุกข์เนี่ยมันเกิดในโลกนี้เนี่ยเป็นธรรมดานะถ้าบอกว่ามีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในโลกนี้แล้วเราก็ทําสิ่งที่ควรจะต้องทําในโลกแตนะ่สิ่งที่ต้องทําในโลกเวลาที่เราเจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจเนี่ยนะก็คือว่าต้องมีความอดทนมีความที่มีเมตตาไม่เบียดเบียนพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่ควรทําในโลกเมื่อเวลาที่เราเจอความทุกข์แต่สิ่งที่ควรเว้นที่เราควรจะต้องเว้นในโลก เมื่อเวลาที <t six> <t six> <t er ่เราเจอความทุกข์เนี่ยก็คือเรื่องของอกุศลธรรมการด่าการว่าการที่มีมิจฉาทิฏฐินี่พูดชั่วคิดชั่วทาชั่วพวกนี้เราจะต้องเว้นนะเราควรจะต้องมาทำในสิ่งที่ควรทำมาเว้นในสิ่งที่ควรเว้นแม้เราจะต้องเจอสุขแม้เราจะต้องเจอทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าทาสิ่งที่ควรทาเว้นสิ่งที่ควรเว้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะต้องทำในโลกนี้ค่ะาทำไปแล้วแล้วยังไงเราจะเหนือจากการควบคุมของโลกได้ ไอ้ตรงที่เราเหนือจากการควบคุมของโลกได้เนี่ยแหละนั่นะคือเราเหนือจากความสุขเหนือจากความทุกข์นะัเราเ จ, เจอความสุขเราก็สบายได้เราเจอความทุกข์เราก็สบายได้นะั่นเป็นธรรมดาที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นะ <c oughs> ถ้าเราเห็นอย่างอย่างถูกต้องว่าในปีชงนะความสุขมันก็อาจจะมีได้คนที่ไม่ชงความทุกข์เขาก็มีได้เหมือนกันน่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมดาแต่พนะ <c oughs> ระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องนี้แหละว่าให้ทําสิ่งที่ควรทํา ให้ละสิ่งที่ควรละซึ่งในที่นี้นะในที่นี้คือเราจมาผู้เฉพาะกรณีที่เราเจอความทุกขนะ์ว่าถ้าเราทําสิ่งที่ควรทํานั้นก็คือว่าให้จิตใจของเราเนี่ยให้มีความอดทนนะให้มีความเมตตากันให้รักษาศีลปฏิบัติธรรมไปอันนี้สิ่งที่ควรทำนะย้ำอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ควรละในเวลาที่เราเจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจขาหากก็ตามเงินหายก็ตามเจอเข้าด่าเข้าว่าโดยไม่มีเหตุผลก็ตาม เราก็ควรจะต้องละสิ่งที่คนละนั่นคือการโตเถียงการกัดแย่งการการคิดไม่ดีพวกนี้ควรละแต่เราะจะเหนือโลกได้นี่คือประเด็นค่ ะ, ะคืออันนี้เหมือนกับท่านกําลังจะบอกว่าเอาละใครก็ไม่รู้ที่มาทํานายเรื่องว่าปีชงเนี่ยซึ่งน่าจะไม่ใช่พระภิกษุเพราะว่าพระพุทธเจ้ามีศีลสําหรับพระภิกษุเลยว่าไม่ให้ทำในสิ่งเหล่านี้ดเป็นผู้ทํานายนะคะแต่ดูเหมือนกับท่านเพบูรณ์ก็ไม่ได้ ไปปฏิให้ไปปฏิ เ, เสธเ้าซะสิ้นเชิงคือหมายนกับว่าเขาเจะทายก็ทายไปอืมใช่ไหมคะมมแต่ว่ารเราเป็นเราเป็นสิทธิ์ของพุทธะเราก็ทําตาพระพุท ธ, ธเจ้าสอนใช่คือทําในสิ่งควรทําละในสิ่งที่ควรละอืมคื อ, อจริงๆนีคือคือจริงๆการการที่เขาเอาให้ข้อมูลมาน <c oughs> ด้วย <c oughs> ด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ไม่รู้ละนะคืออาจจะเป็นการแค่บ่งบอกว่ามีเนี้คุณอาจจะเจอความทุกข์มากกว่าความสุขนะ โอเคนะสําหรับคนที่ไม่ชงคุณอาจจะเจอความสุขมากกว่าความทุกข์นะแต่มันก็ทั้งสุขและทุกข์มันก็มีอยู่ในโลกของมันก็ธรรมดาไหมล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเจอความทุกข์หรือความสุขที่ด้วยสัดส่วนที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างนิดนิดหน่อยหน่มากบ้างน้อยบ้างคุณก็ควรจะต้องทําสิ่งที่ควรทําละสิ่งที่ควรรัอยู่ดีค่ะยิ่งเราควรจะต้องระวังให้มากขึ้นเลยควรจะต้องทําสิ่งที่ควรทําให้มันเต็มที่ลับสิ่งที่ควรรัให้มันเต็มที่อย่าเผลอนี่คือสําคัญ คือถ้ามอในแง่ดีถ้าทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่เรียนรู้และคิดว่าความรู้ของตนเองถูกต้องก็ออกมาเตือนนะคะเ อ, อการได้รับคําเตือนเนี่ยท่านพิบูลน์กำลังบอกจะว่าไปมันก็เป็นสิ่งที่ดีจะได้ระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็ให้เข้าใจว่าธรรมดาของโลกมีสุขมีทุกข์เป็นของคู่กันธรรมดาธรรมดานะคะแล้วก็จะได้ป้องกันที่เหตุหรือชิงก็คิดว่าธรรมดาคนก็หวั่นไหวนะคะท่านคะ ตอนแรกก็ไม่เป็นอะไรเอ๊ะทําไมเพื่อนเราให้เพื่อนสนิทเลยนั่นน่ ะ, ะเจอก่อนใครเลยที <c oughs> ่เราก็อยู่ในใครอย่างงั้นเหมือนกันกเพราะว่าพ อ, พอเราเจอสิ่งที่ไม่แน่ใจมีภัยน่ากลัวเนี่ย <c oughs> ตรงจุดเนี้ยเราจะหันไปหาอะไรแต่ถ้าเราหันหาต้นไม้หันหาภูเขาป่าไม้นั่นจะไม่ใช่ที่พึ่งที่จะทําความเกษมไม่ได้แตเพราะว่ามันจะไม่ได้ดับทุกข์ได้สนิทแต่มันก็จะมี ที่มันทำให้เราทุกข์อยู่ได้แต่ถ้าเราหันหาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์หันหาตรงนี้อันนี้จะทําความรู้ในอริยสัจสีได้นั่นน่ะจะทำให้เราเหนือโลกได้นี่คือประเด็นค่ะท่านรับฟังคะ่ะที่ท่านไปบุญกล่าวมาเนี่ยดิฉันจําได้ว่าพระพุทโธงตรัสไปเลยนะคะเป็นพุททวัจนะใช่ไหมคะว่าจะไปหันหาป่าไม้ภูเขาที่ท่านว่าเนี่ยไม่ใช่ที่พึ่ง ที่พึ่งที่แท้จริงคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถูกต้องคือที่พระพุรุเจ้าใช้คําว่าที่พึ่งอันเกษมนั่นก็เป็นที่พึ่งอยู่เหมือนกันแต่ไม่เกษมค่ะอยังดีกว่าไม่มีที่พึ่งนะก็ยังดีกว่าค่ะแต่มีที่พึ่งที่ไม่เกษมมันก็ยังไม่ดีที่สุดใช่มค่ะเราก็มีที่พึ่งที่เกษมนั่นก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนท่านกําลังจะบอกว่าอย่าหวนไไหวไปเลยนะคะหันหาที่พึ่งที่ถูกต้องที่พึ่งที่ถูกต้องดังกล่าวนั้น คือกระพุทธรรมพระสงค์ใช่อย่างนี้แล้วแล้วทีนี้มันมันต้องมีช็อตต่อไปอีกไงคือพึ่งแล้วยังไงอ่ะพึ่งแล้วไม่ใช่ว่าให้ไปยึดให้ไปเป็นของตัวเราเองหรือว่าไปมีความกำหนัดลุ่มหลงในสิ่งนั้นแต่พึ่งแล้วเพื่อที่จะรู้อริยสัจสี่นะพึ่งเพื่อที่จะรู้อริยสัจสีําำคำนี้ไว้ให้ดีเลยเพื่อที่เราจะรู้อริยสัจสีแล้วทําไมเราจะพ้นจากความทุกข์ได้อืคือ ท่านพูดกันหรือไงคะเกรงว่าเดี๋ยวคนจะไปหาพอพูดถึงพระสงฆ์เลยขึ้นอุดรเลยไปหาพระภัยบูรณ์ <c oughs> ขอพ<ม>ึ่งหน่อยก็มีที่พึ่งที่ถูกต้องเพราะว่ า, วา <c oughs> ถ้ามาหาอาตมาอาตมาก็จะชี้ไปที่อรีย์สันสีแน่นอน <c oughs> คือมีเป็นขั้นตอนเบื้องหลังจากนั้นว่าไม่ใช่ว่าไปไหว้พระพุทธเพื่อนึกถึงพระพุทธเจ้าไปเอาตํารามาหนุนหัวนอนนะครับเป็นคําสอนของพระพุทธองค์ทั้งนั้นเลยแต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ได้ประโยชน์ ต้องรู้คำสอนสุดยอดของท่านความจริงที่ยิ่งใหญ่อริยสัจใช่ถูกต้องนะคะท่านฟังคะ่ะก็ผ่านไปหนึ่งเรื่องใครที่ปีชงก็คงหวั่นไหวได้น้อยลงนะคะแล้วก็ถ้าท่านศรัทธาในพระพุทธเจ้าลองทำดูค่ะลองทำดูถือว่าอันนี้จะเป็นการชี้ให้ไม่ประมาทกันอีกทางหนึ่งส่วนเรื่องถัดมาค่ะท่านคะย่านยสนใจเรื่องปาราชิก ว่าก็มีการกล่าวกันถึงพระสงฆ์องค์เจ้าที่ถ้าทำผิดแล้วคำว่าปาราชิกเนี่ยอยากจะให้ท่านให้พวกเราเข้าใจคำสอนที่ถูกต้องในวันนี้ในเวลาอันนี่ ม, มากเนี่ยคะ่ะถ้าพูดถึงศัพท์คานี้ก็หมายความว่าผู้พ่ายแพ้พ่ายแพ้คือคือหมดจากความเป็นภิกษุไปซึ่งคำว่าปาราชิกนี้นแปลว่าผู้พ่ายแพ้เนี่ย ทำอย่างไรถึงคุณจะแพ้ทำอย่างไรคุณถึงจะหมดจากความเป็นภิกษุแล้ก็มีอยู่4ข้อด้วยกันข้อแรกนั้นก็คือการฆ่ามนุษย์ฆ่ามนุษย์คือฆ่าเองหรือว่าวางแผนฆ่าหรือว่าสั่งไปฆ่าเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังอันนี้โดนทั้งนั้นนนี้คือข้อที่1น่ฆ่ามนุษย์นะคะถูต้องแล้วเกี่ยวข้องกับการฆ่ามนุษย์ใช่ต้องมนุษย์นะถ้าเป็นสัตว์ก็ไม่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าวางแผนฆ่าแล้วเขาไม่ตายอันนี้ก็จะเป็นนาบัติ ลดลงมาลดลงมานะ่ก็คือเขาต้องตายด้วยคนที่คนที่เราจะไปฆ่านะั่นแหะนะค่ะ <Okay. S 1> ข้อที่สองก็คือการที่ขโมยของนะ่ขโมยสิ่งของที่มีมูลค่าด้วยจิตที่คิดจะลักเนะี่ยสมมุติเราหยิบสิ่งได้สิ่งหนึ่งขึ้นมามีจิตที่คิดจะลักนะ่ยตรงนั้นถือว่าเป็นการขโมยค่ <Okay. S 1> นะนการขโมยตรงนี้คือสิ่งของภายนอกนะส่วนข้อที่สามก็คือการเสพมิถุนเสพมิถุนกับ คนหรือสตัตนวะ์ด้วยวิธีการใดๆก็ตามนะ น, นี้ก็คือข้อที่3แล้วก็ข้อที่4ก็คืออวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนนะนี่คือ4ข้อหลักๆซึ่งถ้ามีจุดใดจุดหนึ่งนะที่ภิกษุทำไปแล้วก็ผิดพลาดไปก็ถือว่าหมดจากความเป็นภิกษุทันทีณนะวินาทีนั้นโนะดยไม่ต้องมากล่าวคำลาศิกขา ด, ดิฉันก็กำลังจะกล่าวเรียนถามท่านเลยเพราะว่ากําลังสงสัยนะคะว่าถ้าอย่างเรื่องค่าเนี่ยจะเป็นที่เห็นค่อนข้างชัดเจนได้ใ น, นะคะน่าจะมีพยานรู้เห็นแต่ในส่วนที่ขโมยของเนี่ยนะคะอืมถึงเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่มันเหมือนกับว่ามีมีองค์ประกอบอื่นที่มีมูลค่าด้วยจิตคิปจรักษเนี่ยใช่ใช่เช่นว่ายกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นค่ะเอ่อ ของใครไม่รู้มาวางอยู่ในโรงอาหารของวัดค่ะแต่แล้วถ้าเผื่อว่าของใครไม่รู้ล่ะแต่ถ้าสมมติสมมตินะสมมุติสมสมติอาตมาไปหยิบเนี่ยด้วยใจคิดว่าเฮ้ยของใครไม่รู้เอากับกุฏิเราดีกว่าอย่างเงี้ยของสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นถังสังฆทานหรือว่ากระบอกน้ําหรือว่าขวดพลาสติกนะด้วยจิตใจคิดว่าเฮ้ยจะเอามาเป็นของเรานะด้วยจิตใจ อ, อย่างนี้น ะ, ะด้วยจิตใจ อ, อย่างนี้หยิบออกเคลื่อนจากที่เนี่ย ถ้ไดมาจะเป็น巴拉ซิคทัทนทะีด้วยจิตใจที่กิจลักน ะ, ะยังไม่ทันเราไปใช้เลยแค่เคลื่อนออกจากที่ใช่ใช่ด้วยจิตใจที่ว่าจะเอามาเป็นของเราแตนะ่ทีนี้องค์ประกอบที่เราจะต้องวิเคราะห์ ก, กันให้แยกกายนิดหนึ่งก็คือว่าถ้าบอกว่าเพียงแค่ดูอาการว่าหยิบเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าถ้าคุณหยิบไปเก็บนะหรือว่าคุณหยิบไปหาเจ้าของนะหรือว่าคุณหยิบไปทิ้งพวกนี้จะไม่ใช่เลยจ ะ, จะไม่ได้เป็น巴拉ซิคอยู่ละนะหรือว่าเป็นของ ภิกษุอื่นเราถือวิสาสะในการที่จะยืมไปใช้อันนี้ก็ไม่ไม่ใช่ราชิากก็จะเน้นเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างจะเป็นยากนะแต่มาว่างั้น <c oughs> ถ้าสมมุติว่าในครั้งพุทธการเนี่ยมีมีกรรมการมีคณะกรรมการที่จะมาเป็นผู้ตัดสินไหมคะเพราะเมื่อสักครู่ฟังได้เหมือนกับว่า อันนี้ไม่ต้องให้ใครมาตัดสินเลยถ้าเข้าองค์ประกอบปุ๊บหมดจากความเป็นพระถึงแม้ว่าจะนุ่งห่มพระก็ตามทีใช่ไหมคะคือคือปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนกันเขาจะต้องอมีการทําอธิกรณ์ในประษาพระเนี่ยก็จะต้องตั้งคณะกรรมการแหะถามว่าคณะกรรมการนี่มาจากไหนก็ เ, เหตุเกิดที่ไหนคุณก็ตั้งกันที่นั่นแต่ถ้าสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาแบ่งการปกครองเป็นเจ้าอาวาสใช่ไหมแล้วก็ถ้าจเจ้าอาวาสรับงานไม่ได้ก็จากคณะตํรมการเจ้าคณะ อ, อกรรมการจังหวัดเจ้าคณะภาคก็ว่ากันไปใช่ปะ แต่ว่าในบริเวณไหนก็ต้องคณะกรกรมการขึ้นมาตรวจสอบคณะกรรมการก็จะถามละ่ะอาคุณทําอย่างนี้คุณมีจิตอย่างไรแต่ถ้าเขายืนยันว่าเขาไม่ได้มีจิตที่จะรักเขาอาจจะพูดโกหกก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าบุคคลนั้นเขาพูดโกหกคือความเป็นพระเขาจะขาดอยู่แล้วน ะ, ะแต่ว่าคณะการกรมการอาจจะหาข้อที่จริงไม่ได้นซึ่งกรรมก็จะต้องเกิดกับบุคคลนั้นอยู่ดีละ่ะให้เขายังอยู่ในสภาวะความเป็นพระก็จริง แต่ถ้าเผือว่าเขาพูดจริงคือถ้าเขาพูดความจริงว่าเขาไม่ได้รักนั่นก็คือไม่ได้รักก็ตามนั้นหรือถ้าเขายอมรับว่าเขามีจิตที่จะรักจริงเอาอยอมรับจริงๆว่ามีจิตอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องออกจากความเป็นพระไปโดยไม่ต้องกล่าวคำลาสิกขามันก็จะมี3าม condition นี่แหละนะคะอันนี้ก็เป็นการให้เราทราบหลักการเอาไว้ว่าพระพุทธองนั้นวางหลักการเกี่ยวกับเรื่องของปาราชิกไว้อย่างไร ในบรรดาสีข้อเนี่ยจากประสบการณ์ที่ท่านเป็นภิกษุเช่นเดียวกันนะนะคะอะไรจะเกิดได้ง่ายมากที่สุดคะ่ะโอ้ยในความเป็นพระนะคุณโยมติว๋วก็ไม่อยากจะให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเลย ค, คือคือภิกษุเนี่ยไม่อยากจะต้องไปทําสิ่งเหล่านี้ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเลยคือคือรักพรหมจรรย์ของตัวเอง ม, มันจะต้องเป็นอย่างนั้นจะไม่พลาดจะพยายามที่จะคอยสอดส่องไม่ให้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาด เ <cries. S 2> นี่ย น, นี้คือถ้าพระที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัตชอบนะ <grades S 2> ค่ะทีนี้บางทีมันรู้ด้วยอำนาจแห่งตันหาแตนะทีนี้ความรู้ด้วยอำนาจแห่งตันหาเนี่ยมันก็ไปทั่วล่ะเงินบ้างเพศตรงข้ามบ้างคุณธรรมบ้างนะคู่อาฆาตบ้างนะซึ่งถ้งเงินก็จะเป็นเรื่องของการลักขโมยถูกไหมค่ะซึ่งถ้าเป็นเพศตรงข้ามก็จะเป็นเรื่องของการเสพมิถุนแตนะ่ถ้าเป็นคู่อาฆาตก็จะเรื่องของการทำร้ายกันถึงกันได้ตายแตถ้าจะเป็น เรื่องของคุณวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเป็นการอวดคุณวิเศษที่ที่ไม่มีในตนนะซึ่งตรงเนี้ก็จะต้องคอยระวังกันละ่ะเดี๋ยวไม่ให้ผิดพลาดไงค่ะแล้วเวลาบวชเข้าไปเนี่ยอ้างได้ไหมคะว่าไม่รู้ไม่ได้ศึกษานะไม่รู้ว่ามีความผิดข้อนี้อในสี่ข้อนี้เนี่ยอุปชาเนี่ยจะต้องบอกตั้งแต่วันแรกที่บวชเลยค่ะจะต้องบอกเลยก็เรียกว่ากรณียกิจสี่แล้วก็อักกรณียกิจสี่บอกไม่ก่อนไม่หลังต่อการ อุปสมบทแต่ต้องไม่ก่อนไม่หลังคือถ้าก่อนมากบางทีก็อาจจะไม่บวชใช่ไหมถ้าหลังเกินไปอาจจะทำผิดพลาดเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของอุปชาเป็นหน้าที่ของอาจารย์ผู้ให้นิสัยในวันบวชต้องบอกเรื่องนี้แต่ไม่ก่อนไม่หลังต่อการบวชตรงนั้นอันนี้เป็นพุทธบัญญัติเพราะนั้นทุกรูปจะต้องทราบแน่นอนออไม่ทราบไม่ไดออ้อันนี้ก็จะได้ทราบทั่วกันว่าจริงๆแล้วพระภิกษุ ถ้าบวชถูกต้องเนี่ยรู้แน่เรื่องพวกนี้ตั้งแต่ต้นใช่ก็พอควรแก่ที่จะไปพิจารณากันต่อเองแล้วนะคะดิฉันจะถามเป็นเรื่องของหลักการนะคะต่อไปเป็นเรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างดิฉันดูเหมือนกับว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยนะคะความคิดเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยในบางสังคมยกตัวอย่างอาจเป็นสังคมไทยก็ว่าได้ <c oughs> อยู่ด้วยกันยาก ในสมัยพุทธกาลคะท่านคะมีกรณีที่เป็นตัวอย่างว่ามีความแตกต่างเกิดขึ้นแลโหโห้วพระพุธองทรงให้อยู่กันอย่างไรมีไหมคะถ้าจะพูดถึงคลาสสิกเคสก็ภิกษุชาวโกสัมพี น, น, นี่ก็กรณีหนึ่งหรือว่าก็จะมีหลายๆเรื่องเช่นภิกษุนี้ทำไม่ดีภิกษุนั้นว่ายังไงพิพกษุชามาระ ง, งับว่าให้ทาอย่างนี้ทุกคนก็โอเคกัน ก็ะจะเป็นเล็ก น, น้อยก็จะมีทีนี้ในในกรณีของพี่โสชาวโกรธสัมผีอย่างเงี้ยคือเขาก็ผูกเวนกันด้วยไงแต่มีการผูกเวนกันพระพุทธเจ้าก็ให้ยอมรับผิดฝ่ายนี้ก็ยอมรับซะฝ่ายนี้ก็ให้รู้ว่าตัวเองทําให้เป็นธรรมก็ต่างคนต่างยอมกันคนละก้าวแต่มันก็ก็ไปกันได้ทีนี้ในเรื่องที่จะทําให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันเราเน้นคุณธรรมตรงนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าสอนอยู่เสมอๆ เ, เลยคุณธรรมที่จะให้เกิดความสามัคคีกันก็ ต้องมีเมตตาในทั้งต่อหน้ารับหลังทางกายวาจาใจมีการให้ของซึ่งกันและกันมีความที่เสมอกันด้วยศีลแล้วก็ทิฏฐิพวกเนี้จะทําความสามัคคีให้เกิดขึ้นทีนี้ถ้ามันแตกกันแล้วแต่ถ้ามันแตกกันแล้วการที่จะมาสมานกันอีกได้เนี่ยก็จะต้องเป็นไปโดยธรรมคือถ้ายังไม่แตกแล้วคุณไม่ต้องการให้มันแตกแตคุณทํา6อย่างเหล่านี้อันนี้มันจะไม่แตกแต่แต่ถ้ามันแตกกันแล้วจะสมานกันเนี่ย ก็ต้องมาคุย ต, ตรงจุดที่มันเหมือนกันก่อนค่ะไหนคุยกันตรงจุดที่มันเหมือนกันก่อนไอ้ที่ไม่เหมือนเนี่ยอย่าเพิ่งไปแตะตรงนั้นค่ะไหนเราก็เหมือนตรงไหนเหมือนตรงไหนเอามาพูดคุยกันไหเอาตรงตรงที่ลงกันได้ก <ah> ่อนไหนเราก็จุดร่วมใช่จุดต่างไว้ใช่แล้วก็ในอีกฝ่ายหนึ่งไหใครที่จะพอบอกได้ง่ายที่สุดไหนก็ไปทําความเข้าใจกับคนนั้นก่อนไหนเราก็ไปทําความเข้าใจกับอีกฝ่ายหนึ่ง นี่ยก็คือพยายามที่จะสลายกั้วทั้งสองข้างให้มาอยู่เป็นฝ่ายที่ไม่มีไม่มีพวกทั้งสองด้างนี้นี่นน ค, คือหลักการทั่วๆไปที่บ ร, ริพุทธเจ้าจะจะอธิบายสมมุติว่าฝ่าย A กับฝ่ายบใช่ไหมเอข้าแต่กับ B เนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปตั้งฝ่ายซีขึ้นมาเพื่อที่จะไปข่ม A และ B ไม่ใช่แต่พยายามที่จะสลายกาลังของ A และ B นะโดยการบอกกับคนที่พอจะบอกได้ง่ายมากที่สุดในฝ่าย A ก่อนแล้วก็ ค, คนที่ง่ายที่สุดในฝ่าย B ในทาความเข้าใจเออเหมือนกันเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกันมากก็ค่อยๆสลายกำลังของงสองฝ่ายก็คือจะเป็นผู้เดียวคนหมดสุดท้ายค่ะ เ, ออเคยไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยด้บางแห่งเราได้เจอสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการบอกเล่าว่ า, าที่แห่งนี้เนี่ยเคยมีการเผาคนที่มีความเห็นทางด้านศาสนาแตกต่างจากผู้ที่มีอํานาจในตอนนั้น ในทางศาสนาพุทธไม่มีเรื่องทํานอง น, นี้บ้างไหมคะที่ผ่านมาครั้งพุทธการค่ะในครั้งพุทธการไม่มีแต่มีหลังจากนั้นนะที่บริษัทได้พูดถึงเรื่องของที่เมืองนาลันทามหาวิทยาลัยนารันทานี่ที่ถูกรุกรานและวก็เผาพระสงฆ์ก็ถูกฆ่ากันไปอันนี้คือคสมัยหลังพุทธการหลายร้อยปีอยู่ใที่เมืองนาลันธาตะกัศิลานั้นแล้วพระพุทธองค์เนี่ยนะคะก็ได้ทรงอยู่ท่ามกลาง ความเห็นความเชื่อที่แตกต่างกันมากในชมพูทวีปออืชอท่านดํารงอยู่กับความเชื่อที่แตกต่างเหล่านั้นอย่างไรคะมีความพยายามต้องมาเชื่อเหมือนเราหมดหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคะคือพระพรุทธเจ้าเนี่ยประกาศสัจธรรมคือคการที่พระองค์ประกาศสัจธรรมแล้วนใครที่เห็นว่าควรเชื่ อ, อ น, นั้นจะเป็นประโยชน์กับเขาชั่วการ น, นานใครที่ไม่เห็นคือต่อให้คนที่ไม่เห็นเนี่ยรอ้อยคนคนเห็นคนเดียว นะี่ยพระพุทธาก็ยังมีความสุขอยู่ได้นะอยู่ได้นะดนะีหรือไม่ใช่ว่าต้องมีคนมากแล้วถึงจะถึงจะถูกมันมันไม่ได้เกี่ยวกับจํานวนค่นะ่แล้วในสมัยนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีสงครามสงครามระหว่างประเทศเขาก็ยังมีกันเออกษัตริย์องค์นี้รบกับกษัตริย์องค์นั้นก็มีนะีถึงแม้จะมีคําสอนของพระพุทชเจ้อยู่ก็ตามะนะอ่ะนีถึงแม้พระพุทธจาจะพร่ำสอนจนปากเปียปากแฉนะนีพวกที่ทําไม่ดีก็มีไหมก็มีอย่างพระเทวทาเป็นต้นเนะ่ยแล้วก็ภิกษุรูปอื่นๆเพราะฉะนั้นุรพราชเย อยู่ด้วยใจที่สบายอยู่แล้วล่ะเพราะว่าไม่มีทุกข์ไม่มีราคาโทสะโมหนะในอะไรที่มันเป็นสัจธรรมพระองค์ก็บอกเอาไว้นะใครทําก็ดีใครไม่ทําเขาก็ตามการรมไปนะมันก็เป็นธรรมดาของโลกอย่างกรณีของปี่ชงเนี่ยนะมันก็ธรรมดาสุขทุกข์ก็ธรรมดาแต่ฉันสบายแล้วฉันไม่มีสุขเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือโลกไปแล้วก็ไม่มีปัญหานั้นก็เท่ากับว่าจากประวัติของพระพุทธองค์ที่ตรัสเอาไว้ในเรื่องของ การสัมผัสเกี่ยวข้องกับผู้คนที่มีความเชื่อมีความศรัทธาที่แตกต่างถ้าหากว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนมาศรัทธาแบบเดียวกันกับที่พระพุทธองค์เชื่อก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไระะไม่มีปัญหาอะไรเป็นเรื่องที่ดิฉันเองเนี่ยอรู้สึกว่าเราก็อยากจะให้มีการนำทางในการที่เราจะอยู่ร่วมกันในโลก ที่ดูเหมือนกับมันร้อนขึ้นทุกวันเหมือนกันนะคะคื อ, อ, ค, อคือตรงนี้ก็เป็นความสามารถของพระพุทธเจ้าไงคุณยมติวเพราะว่าสมาสมุทธาเนี่ยสามารถที่จะแสดงธรรมใดเป็นพระขวารแต่พระขวานี่คือผู้ที่จําแนกแจกธรรมออกได้แต่ความที่มีความสามารถตรงเนี้ยมันจึงไม่ธรรมดาสามารถที่จะชี้แจงให้คนเข้าใจได้ในความสามารถมากตรงนี้ค่ะซึ่งมันครั้งดิฉันก็แปลกใจในเแง่ที่ว่าสมมุติว่าเราอยู่วัดพุทธเนี่ยเราก็เคยได้ยินที่มีการพูดว่า เออมีคนนับถือศาสนาอื่นนะเปลี่ยนมานับถือศาสนาเรา mm hmm. แต่ว่าไม่กล้าที่จะบอกรายละเอียด เ, ออเขาก็อาจจะไม่สบายใจที่เมื่อพูดไปแล้วจะไปกระทบกระทั่งฝั่งที่เขาเคยเชื่อเคยศรัทธาก่อนแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ได้ดูจากข้อมูลขาา่าวสารนะคะคนมีชื่อเสียงบางคนก็มาประกาศตนว่าเปลี่ยนจากนับถือศาสนาพุทธไปนับถือศาสนาอื่น mm hmm. แลวดูเหมือนกับว่าท่าทีที่แสดงออกมานี่มีปีติ ยินดีเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการเปลี่ยนความเชื่อทํานองนี้ในครั้งพุทธกาลนี้มีการตัดลงรายละเอียดอะไรนอกเหนือจากที่ท่านได้กล่าวมาแล้วบ้างไหมคะตรงนี้พระพุทธเจ้าจะดูตามหลักธร ร, รมนะคุณยมติ๋วเพราะว่าอย่างในสมัยก่อนเนี่ยรัที่พราหมณ์เขาก็มีอยู่แล้วเขาก็บูชานั่นนี่นนท์แต่พระพุทธเจ้าก็จะดูหลักธรรมว่าสิ่งที่เขาบูชาเนี่ยเป็นไปตามธรร ม, มะไหมแต่เนะช่นมาถ้าคุณมีศีลไหมแต่คุณมีใจเมตตาหรือเปล่าแตนะ่ถ้าเขายังมีศีลมีใจเมตตาอา๋อมันก็มีส่วนที่ พระพุทาบอกสอนไว้หี่ถูกไหม <Okay. S 1> ค, คือคือคําสอนของพุทธะเนี่ยอนาวันต้องการจะพูดว่าเป็นคําสอนคือศาสนาเนี่ยหมายถึงคําสอนเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ว่าจะต้องไปแบ่งแยกกับใครไม่ใช่นั่น <Okay. S 1> ไม่ใช่ประเด็นที่พระพุทายกขึ้นในทีน่นี้ประเด็นที่พระพุทธายกในที่นี้คือกําจัดความทุกข์กำจัดกิเลสแต่ถ้าเรายังมีความคิดว่าเฮ้ยนั่นไม่ใช่พวกฉันเขามีเลเวลอีกแบบหนึ่งฉันมีเลเวลแบบนี้งั้นคนละพว ก, กันอั่นมันมันตัวตนไหมนั่นนะอัตานะ แต่คําสอนของพุทธเจ้าไม่ได้เป็นไปตรงนั้นแต่พูดถึงหลักธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเขามีศีลอยู่เอาเขาปฏิบัติตามคําสอนของพุทธะนะต่อให้เขาจะเลเบลตัวเองว่าเป็นาศาสนาอะไรก็ตามเถอะแต่ถ้าเขามีศีลอยู่มีใจเมตตาเอานั่นคําสอนพุทธะนะะไม่มีปัญหาเลยแต่มาสบายใจมากท่านคะถ้าอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> คือเหมือนกับว่าใช่ว่าเป็นเรื่องเดียวกับที่พระพุทอโ์ตรัสเกี่ยวกับการที่ไม่ ไม่ส่งกลัดขัดแย้งกับใครที่เป็นบณัณฑิตในโลกใช่ใช่ใช่เนี่ยถ้าบัณฑิตในโลกเขากล่าวว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเนี่ยมีสิ่งที่ไม่เที่ยงอยู่ก็กล่าวตรงกับที่พระพุทธเจ้ากล่าวพระพเจ้าก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันแต่ถ้าเขากล่าวว่าสิ่งที่เที่ยงมันไม่มีเนี่ยตรงนั้นก็กล่าวตรงกับที่พระพเจ้ากล่าวแน่นอนค่ะก็เท่ากับว่าความดีความไม่ดีกุศลอกุศลบนโลกใบนี้เนี่ยคล้ายคล้ากันแต่ว่า มีบางอย่างที่แตกต่างกันในเรื่องของการสอนถึงทางออกจากความทุกข์เหล่านั้นใช่น่าจะเป็นอย่างี้ไหคะถูกต้องถูกต้องรายระเอียจะต่างกันเราก็ดูตรงที่มันเหมือนเหมือนกันก่อนแล้วไหนที่มันจะไปได้ไกลกว่าเราก็ค่อยพิจนารณาเป็นเรื่องงไปนะค่ะจึ ง, งไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปเพ่งเลงใครที่เขาไม่เหมือนกับเราในแง่ของศรัทธาความเชื่อนะคะแต่ว่ า, เ, าเราควรที่จะมาปฏิบัติตาม สิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราศรัทธาให้ปรากฏผลนะคะน่าจะมีความสุขกันมากกว่าเชี่ยบานก็คิดว่าวันนี้จะสรุปเท่านี้นะคะน้มัสการของพระคุณรำมหาภบยบุญอภิปุณโญเป็นอย่างยิ่งค่ะนมัส ก, การค่ะเชี่ยบานระหว่างที่ครบคี่วันนี้ถามท่านหลายประเด็นนะคะเพราะดิฉันก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ทราบหลักการของคําสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ ทราบทำไมทราบก็เพื่อที่ว่าท่านจะได้รู้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ใช้ปัญญาของท่านเองในการที่จะพินิจวิเคราะห์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วสามารถจะนําเอาหลักเหล่านี้ไปปฏิบัติไปพิจารณาได้นะคะสำคัญที่สุดก็คือหลักของเราเนี่ยเราก็ปฏิบัติไปเถอะปฏิบัติไปแล้วก็ลองตรวจสอบว่าจริงหรือไม่ตามที่ ได้สอนมาได้เห็นอะไรก็พยายามน้อมเข้ามาใส่ตนแล้วนำเอาหลักทำคำสอนเนี่ยมาเปรียบเทียบนะคะจะไดะ้ได้ธรรมะปรากฏไปด้วยดิฉันเชื่อว่าที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องหลักการเรื่องวินัยแล้วไม่ได้แนวทางในการดำเนินชีวิตตามธรรมให้กับท่านเลยเป็นสิ่งเดียวกันค่ะติดตามรับฟังรายการสันสนีสนธนาดาเนินรายการโดยสันสนีนาคพง์ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f อฟกัน ได้ครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้านะคะซึ่งสัปดาห์นั้นที่ฉันคงจะมีแง่มุมจากการปฏิบัติด้วยตนเองที่วัดปาดอนหายโศกมาแลกเปลี่ยนให้ท่านได้ฟังกันแล้วล่ะคะ่ะวันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพุทธวสวัสดีคะ่ะ